ส่วนฝั่งที่รบค่ะผ่านไปนะคะสำหรับพระมาร์คชาควโรท่านอยู่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิธิ์วัดเดียวกับท่านอาจารย์คือกริชโสธิพโลที่ได้มอบหนังสือพุทธวจนะให้กับพวกเราทุกวันเวนลาสามเล่มในขณะนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2ย์สองสหรือว่าท่านจะขอซีดีมาที่เบอร์เดียวกันนี้ก็ได้นะคะนิยมชื่อโยมมดนะคะเข้าบันทึกเสียงท่านพบูลในสถานที่ต่างๆ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 ที่ทําให้เกิดเป็นอาหารของจิตนั่นะถ้าเราจะพูดถึงหลักกองการทํางานของจิตเลยนะคุณยมติพูดให้ละเอียดไปเลยเพอมีการปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตเนี่ยจะมีอาหารอพอจิตมีอาหารเนี่ยจิตก็จะไป ร, รับรู้ในเรื่องต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตรงเนี้จะเป็นความทุกข์ทั้งหมดเพราะพุทธเจ้าจึงบอกอย่าปรุงแต่งนะไม่ให้มีการปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยเป็นอาหารของจิตอย่าให้มีถ้าเราไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยการปรุงแต่งดับไปเนี่ยอวิชาดับแน่นอน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 <c oughs> คือถ้าเราจะพูดให้ถูกเนี่ยการคิดทางบวกเนี่ยอาจจะรวมเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ <c oughs> แต่พูดใหม่การคิดทางบวกเนี่ยอาจจะรวมเรื่องที่อยู่นอกมัคก็มีอ่ะพูดงี้ดีกว่า <c oughs> แต่ถ้าในมัคทั้งหมดเนี่ยจะมีส่วนที่มีการคิดทางบวกด้วยนิดนึงนะแล้วก็มีส่วนอื่นๆ อ, อีกมากมาย <c oughs> ประเด็นที่พูดถึงวันเมื่อวานก่อนเนี่ยก็คือการที่เออถ้าเราคิดทางบวก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 <c oughs> ไม่ใช่ความสำเร็จที่ว่าฉันต้องเป็นประหลัดฉันต้องเป็นอธิบดีอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นเป็นกามเอาออกไปซะมีกาม <c oughs> อยู่ไม่คุณทำความสาเร็จไม่ได้แน่ค่ะทีนี้ท่านที่เพิ่งมาฟังวันนี้เมื่อวานที่ฉันยกตัวอย่างไปว่าสมมุติว่าหากลูกไม่ดี <c oughs> ให้ปรุงแต่งไปในทางบวกว่าลูกดีลูกดี <c oughs> ลูกดีแล้วลูกจะดีท่านภบุญกาลังบอกว่าอันนี้เนี่ยเข้าข่ายของการที่อ่อนวอน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 ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดใช่ไม่ดื่มสุราพอถึงพูดปดอยู่ในช่วงที่ร น, นอรงค์คุณต้องขออนุญาตท่านพิบูรณ์ที่จะพูดในสิ่งนี้คือกําลังรณรงค์ว่าถ้าชอบพูดต้องพูดชอบพูดสัมมาวาจาพูดปดนี่ก็เป็นหนึ่งในสัมมาวาจาคือไม่พูดปลดนะคะอย่างที่สองไม่พูดให้แตกแยกอย่างที่สาม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 แล้วก็สังคมก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราพูดให้สมานสมามัคคีกันนะคะแล้วก็มันฟังแล้วไม่สแสลงหูไม่พูดหยาบเลยไม่พูดรุนแรงเลยพูดมีแต่เมตม ต, ตาและเราก็ยังจะได้เป็นการปฏิบัติบูบบชาถวายพระพุทธองค์ที่ตรัสรุธรรมมาจะครบ 2,600 ปีในปีหน้ากับถวายพระเจ้าอยู่หัว84สี่พันษาเราจึงกำหนด84วันนับแต่วันที่18พฤษภาเรื่อยไปจนกระทั่งครบ8ปี่วัน